นี่เรามาเข้านี่ก็เป็นเวลาสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบกสบกชั่วโมงสบกชั่วโมงเต็มขาดอีกสองนาที <c oughs> นับจาก1กโมงเย็นมาเย็นจนตอนนี้ก็สิบกชั่วโมง เราลองดูว่าในสิบกชั่วโมงที่อยู่มานี่เราได้บำเพ็ญอะไรไปบ้างอย่างไรถ้าถ้าตรวจสอบได้ก็ให้ตรวจสอบดูว่าอากุศลมันมาเยี่ยมเยยนมากไหมถ้าดูตัวเองต้องดูกุศลและอากุศลนะ เรียนรู้ตนเองให้เรียนรู้ว่ามันเป็นอ ก, กุชนหรือมันเป็นกุชนนี่ในชั้นต้นๆในชั้นต้นๆของการเรียนรู้ชีวิตเรียนให้รู้ว่าที่ตนเราเองขณะนี้เป็นกุชนหรืออ ก, กุชนที่ผ่านไปแล้วเป็นอ ก, กุชนหรือกุชนถ้าเราสามารถเรียนรู้แยกแยะกุชนและอกุชนได้โดยชีวิตทั่วไปที่เป็นปกติก็ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้อย่างถูกวิธี เวลาเราเรียนรู้นี่เรียนรู้เรื่องอื่นเรียนรู้เรื่องของคนอื่นสิ่งที่ได้มันก็คือทำให้ก็รู้รู้อะไรรู้แค่จาจาไว้เป็นสัญญาแล้วก็ไปปรุงแต่งแต่พอเรียนรู้เรื่องของตัวเองมันจะทำให้เรารู้ความจริงเรียนรู้เรื่องของเราเองทตาให้เรารู้เรื่องของความเป็นจริงเหมือนกับการที่เราจะเริญนอนาปานสตินี่แหละ หรือการเจริญสติด้วยการเดินจงกรมรู้ในอิริยาบถรู้ในการเคลื่อนไหวโดยที่สุดแล้วแม้แต่รู้ลมหายใจที่เป็นอนาปาณสติทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นการพัฒนาสตินี่เป็นเรื่องรู้เรียนรู้ที่ตัวเองเรียนรู้ที่อื่นไม่ได้เรียนรู้ที่จะทำให้สติเจริญและพัฒนา ไม่สามารถจะไปเรียนรู้จากที่อื่นได้นะต้องเรียนรู้ที่ตนเองคำว่าตนเองในที่นี้คือเรียนรู้ที่กายเวทนาจิตธรรมที่ทรงแยกไว้หรือเรียนรู้ที่รูปที่นามนี้เรียนที่อื่นไม่ได้ถ้าเรียนที่อื่นมันก็ได้แก้ความรู้จำรู้รู้รู้แล้วก็จําไว้รู้รู้แล้วก็จําไว้รู้รู้แล้วก็จําไว้ ไอการเรียนรู้แล้วมีความจำไว้มากๆมันจะทำให้เราเอาชีวิตของเราทั้งชีวิตไปขวากไว้กับสิ่งที่เราจำไว้ไปขวากไว้กับสิ่งที่เราจำไว้ทีนี้มันไม่รู้ว่าไอสิ่งที่เราจำไว้นั้นมันไปผนวกกับสันดานของเราผนวดกับความโลภผนวกกับความโกรธผนวกกับความหลงผนวดกับ ความชอบเรื่องต่างๆนั้นสิ่งที่เราฝากไว้มันเป็นไปตามกำลังความชอบของเรามันชีวิตของเราจึงฝากไว้ฝากไว้กับสิ่งที่เราเรียนจำไว้จากข้างนอกทั้งหมดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าโลกสาสรณาเอาโลกมาเป็นที่พึ่งใช้โลกเป็นที่พึ่งทั้งๆที่ว่ามันเป็นที่พึ่งไม่ได้นะ ทั้งๆงที่มันเป็นที่พึ่งไม่ได้แต่เราก็เอาโลกนั้นล่ะมาเป็นที่พึ่งพยายามที่จะสร้างโลกของตัวเองเราพยายามที่จะสร้างโลกให้กับตัวเราเองแต่ว่าเป็นโลกข้างนอกแล้วเราก็เอามาเป็นที่พึ่งเรียกว่าโล ก, กสาสรณาในที่สุดแล้วมันพึ่งได้ไหมไม่พึ่งไม่ได้นะเพราะว่าโลกมันเป็นอะไรโลกมันเป็นอนิจจงมันพึ่งไม่ได้ มันจึงจําเป็นที่จะต้องพัฒนาสิ่งอันเป็นที่พึ่งการเรียนรู้ในสิ่งซึ่งเป็นที่พึ่งได้เนี่ยมันจึงจะถูกต้องใช่ไหอะไรที่พระพุทธเจ้าสอนก็คืออัตตะอัตต ะ, ตะคือตนอัตตะสรณาอัตตะทีปะมีตนเป็นเกาะอัตตะสรณามีตนเป็นที่พึ่งคาว่าตนในที่นี้คืออะไระก็คือจิตที่ฝึกต จิที่ฝึกนี่แหละอีกคำหนึ่งที่จะเรียกว่าธรรมทิปะธรรมสนะคือมีธรรมเป็นเกาะ ม, ม, มีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีความหมายเหมือนกันตนในที่นี้ก็หมายถึงจิตที่ฝึกฝนแล้วจิตที่ฝึกฝนแล้วนี่แหละเป็นธรรมมันจึงเป็นอต نا, อตะสนะอตตะทิปะธรรมสรณธรรมสนาธร ร, ร, ารรมทิปะ มีตนเป็นที่พึ่งมีจนมีตนเป็นเกาะมีจิตเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะทีนี้ตนที่จะเป็นที่พึ่งนั้นมันจะต้องฝึกอย่างไรจะฝึกอย่างไรก็ได้แต่ที่แน่ๆจะต้องมีสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญาเจริญขึ้นสติปัญญานั้นจะต้องก็เรียกวุตติงวีรุ่นฮิ่งเวบุรัง ต้องจเจริญขึ้นฮอกหามขึ้นจนถึงขั้นสูงสุดคือมีความภัยบุญอย่างนี้นสิสติสติสัมปญญาหรือสติปัญญาไม่จะเริญนขึ้นแน่ๆในกรณีที่เราเอาโลกเป็นที่พึ่งเพราะโลกจะเป็นที่พึ่งของเราเนี่ยเราจะต้องไปเรียนรู้ศึกษาแล้วก็เอาอะไรไปเรียนรู้ศึกษา เอาความชอบความชอบคืออะไรก็คือกิเลสในใจใช่ไหมไปดูเหลี่ยมที่มันถูกต้องกับสันดานตนเองอะอะไรที่มันถูกต้องกับสันดานตัวเองอะไรที่มันตรงกับสิ่งที่ตนเองชอบตรงสิ่งกับสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้วก็ไปเอาสิ่งนั้นแล้วมาเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยที่พึ่งที่ไม่ใช่ที่พึ่งที่ไม่ใช่ตัวเองอะ พอเปิดประตูเข้าไปอะเยอะไหมฮะมองไปที่ฝาผนังเห็นเลยมองฝาผนังข้างล่างเห็นเลยเห็นสารเจ้าที่ฮ <c ười> ะเอมองข้างหน้าบ้านโน่สารประภูนเยอะไหมสารประภูนเต็มนะ <c ười> หมดเลยมองไปข้างในในกระเป๋าที่ถือนี่โอ้ยเต็มไปหมดเลยที่พึ่ง แต่ไม่เคยไม่เคยรู้สึกว่าตนคือที่พึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดตนคือที่พึ่งที่เป็นอภินิหารที่สุดตนคือที่พึ่งที่มีอำนาจในการอภิบาลที่สุดแต่พอเราเอาตนเป็นที่พึ่งไม่ได้เอาตนเป็นเกาะไม่ได้เราก็เลยต้อง หาอย่างอื่นเป็นที่พึ่งหาอย่างอื่นเป็นที่พึ่งทงั้งๆที่บางครั้งไอ้ที่พึ่งที่เราเอามาเป็นพึ่งที่พึ่งของเรานะ่ะมันก็พึ่งตัวมันเองไม่ได้บางทีบางคนบางหมดูตาบอดรู้จักไหมไอ้นี่ไม่ได้ลบลูนะเรียกว่าลบลูเลยแหละคือตัวเองจะเดินเน่ต้องคนมาจูงมาพาไปห้องน้องห้องน้ำแต่ว่า นั่งชีชะตาชีวิตให้เราเฮ้ยนี่เดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้นะเราก็ฉลาดฉลาดทำงานเดือนหนึ่งกว่าจะได้เงินมาสี่พันห้าพันเอาไปให้คนที่มองทางไปห้องน้ายังไม่รู้แล้ว ม, มาดูอนอาคตให้เราแล้วไม่ใช่ดูธรรมดาด้วยนะดูล่วงหน้าเป็นหลายเดือนหลายปีด้วยนะ สมัยเราเป็นเด็กสาวสาวอะหมอดูบอกว่าเราจะต้องมีเนื้อคู่ที่ดีใช่ได้ยังอะ่ <c oughs> อะฮะได้ยังถ้าเราไปหามันตอนที่เราหน้าช้าดำเขียวแล้วก็บอกว่าแต่งงานแล้วโอ้ยคนเนี้ยเนี้ยเนี้ทะเลาะกันมาเนี่ยใช่ไหมโอ้ยเนี่ยแล้วมันก็บอกว่านี่จริงๆแล้วเนี่ยคนก่อนหน้านี้ยดีมากเราก็นึกเออคนคนหนึ่งมันก็ผ่านหลายคนน่ะ โอ้ใช่ไอคนนั้นดีนะมันไม่เคยตีไม่เคยด่าไม่เคยว่าเราเลยคนนี้ยังเผลลงไม้ลงมือกับเราเข้าทางเขาหมดอ่ะ <c oughs> คือเอาโลกมาเป็นที่พึ่งทั้งนั้นตนเองเป็นไงพึ่งไม่ได้ออพึ่งไม่ได้แลวเดี๋ยวนี้มันเกิดวิชาแปลกๆไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อในศตวรรษนี้นะที่วิทยาศาสต ร, ร์เจริญมาอย่างนี้ยังมีเรื่องแปลกๆเมื่อเมื่อวานนี้มีถอนคุณใส ออนไลน์อืมไอ้ไอ้ไอ้คนที่ถูกของก็อยู่ที่หนึ่งไอ้หมอถอนคุณใสก็อยูอ่ที่หนึ่งแต่ก็ออนไลน์พอออนไลน์พอเห็นในหน้าคนนั้นเสร็จอีคนที่ถอนคุณใสนี่มันก็ไร้คาถาภาษาอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่คาเบนไม่ใช่พมา่าแล้วขาบอกว่าเป็นหมอพมา่าแต่ภาษาที่ไร่อ่ะไม่มีรักภาษาในโลกนี้ไม่มีตึกตักตึ๊กตักตึกตั ก, ต ก, ตก ไอ้นั่นก็ชักดิ้นักงอเลยนะชักดิ้นักงอคือผีออกตัวหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทถ้าผีออกตัวหนึ่งใจหนึ่งมืน่นออนไลน์นะ เ, ออ เ, ออเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องแปลกๆในโลกยุคนี้ในโลกในยุคที่คนไม่ฝึกฝนตนเองคนไม่พึ่งตนเองอ แล้วพุทธศาสนาเนี่ยศาสนาพุทธของเราเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งการทำสมาธิการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาทั้งหมดนี้ทำเพื่อให้ตนนั้นเป็นที่พึ่งของตนให้ได้คนตนีทีเนี้ยวจะพึ่งตนเองได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะมันรู้สึกว่ามันขาดตลอดเวลา คนตระนีทีเหนียวจะพึ่งตัวเองไม่ได้เพราะมันรู้สึกว่ามันขาดตลอดเวลาคือตัวเองยังขาดมากพร่องมากมันต้องหาต้องเติมต้องอะไรต่างๆตลอดเวลาคนโหดร้ายจะพึ่งตัวเองได้ไหมศัตรูเต็มไปหมดใช่ไหมเจ้ากรรมนายเวรเยอะคนขี้โกงพึ่งตัวเองได้ไหมไม่ได้นะคดีความมันเยอะโจทย์มันเยอะ คนมากมากเจ้า ช, กกชู้พึ่งตัวเองได้ไหมไม่ได้คนโกหกพูดจาเชื่อถือไม่ได้พึ่งตัวเองได้ไหมนหนเเะะไม่ได้คนขี้เมองพึ่งตัวเองได้ไหมัว้กันนะตัวเองยังเจเลยเพราะฉะนั้นคนไร้ศีลไม่มีศีลพึ่งตัวเองได้ไหมไม่ได้ในทางกลับกันถ้าเขามีศีลขึ้นมาก็พึ่งตัวเองได้ไหม เขาเริ่มเข้าสู่วิถีแห่งการทําตนให้เป็นที่พึ่งทําตนให้เป็นเกาะแล้วคนเจน้าหนี้ที่เหนียวพึ่งตัวเองไม่ได้แต่พอเขาเริ่มฝึกฝนการมีน้ําใจการให้ทานขึ้นมา<ๆ>เขาก็เริ่มพึ่งตัวเองได้แล้วคนโง่พึ่งตัวเองได้ไหมไม่ได้หรอกมันจะพึ่งตัวเองได้ไงแต่เมื่อเขาสว่างด้วยกําลังของปัญญาเมื่อมีปัญญามีความรู้ ปัญญาและความรู้นั้นจะทําให้เขาเป็นที่พึ่งของเขาได้เพราะฉะนั้นในการฝึกฝนในทางพุทธศาสนาในการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาทั้งหมดนี้ทำเพื่อฝึกฝนให้ตนนั้นเป็นที่พึ่งเป็นเกาะกับตนเองพอเรามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะเงื่อนไขในชีวิตของเรามันหลุดลุยออกไปหมด บางทงเรโอ้นี่หวังมีลูกอยู่สามคนหวังพึ่งลูกคนเล็กใช่ไหก็ให้มันสมบัติมันเยอะหน่อยพะเอิลูกคนเล็กเอามันไปแต่งงานมันมีลูกมีเต้าไอ้มันมีสะพ้ายมันเข้ากันไม่ได้กับเราออยาเป็นไงหวังพึ่งลูกคนเล็กพึ่งไม่ได้ก็มองไปที่ลูกคนโตผอมองไปที่ลูกคนโต แย่ yeah, แล้วทําไงดีเนี่ยไอ้บางที่เนี่ยเอาที่ดินยกที่ดินในวัดเน่ยที่มีปัญหาเนี่ยยกที่ดินเขียนพินัยกรรมน้อยใจลูกยกที่ดินเขียนพินัยกรรมให้วัดเลยเสร็จแล้วตนตายขึ้นมาตนเผอเองตายขึ้นมาก็เลยเป็นปัญหาเรื่องเรื่องมรดกเป็นปัญหาเรื่องมรดก เมื่อใดที่เราเอาตนมาเป็นที่พึ่งเอาตนมาเป็นเกาะไม่ได้เมื่อนั้นเราจะเฟ้งฟางนะนึกถึงไม้หลักปักในเลนปักในในที่ที่มันโยกคลอนโดนกระแสน้ำมานิดนิ ด, นดหน่อยหน่ก็เกวไปเกวมาใช่ไหมก็ เ, เรียกว่าไม้หลักปักเลนเข้าใจปะ่ะไม้หลักปักเลนเนี่ยแต่ ถ้าภูเขาแท่งซีลาทึบตั้งทงานอยู่ไม่ว่าจะมามีมรสุมแบบไหนมากระทบกระแทกต่างไรอย่างไ ร, งไรก็ไม่สะเทือนเข้าใจไหมเพราะการฝึกฝนตนให้มีกำลังให้เป็นที่พึ่งให้เป็นเกาะของตนเองได้เราจะมีเงื่อนไขในชีวิตหลุดออกไปเยอะมากเลยอะและจะรู้สึกเลยว่าโอ้การมีตนเป็นที่พึ่ง มันดีจริงจและการฝึกฝนตนให้ตนนั้นเป็นที่พึ่งของตอนหลุดออกไปจากเรื่องอื่นไม่ได้หรอกนอกจากทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาและทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เริ่มต้นด้วยลมหายใจลมหายใจอย่างเดียวได้หมดเลยลมหายใจอย่างเดียวนี่รู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าอย่างเดียวเนี่ยได้หมดในส่วนที่เป็นศีลสมาธิปัญญาได้หมดได้หมดในเรื่องเพราะว่า การรู้ลมหายใจมันเป็นตัวพัฒนาสติปัญญาสติปัญญาที่พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเนี่ยมันจะขัดเกลาขัดเกลาขัดเกลาขัดเกลวยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็เจาะแทงทะลุพวกความหนาของอาสวะทั้งหลายแหล่นี่มันเจาะเจาะเจาะเจา ะ, จาะทะลุปลุกพุ่นหมด mm. อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เกิดการ พึ่งตนเองได้อย่างสบายและพอมีตนเป็นที่พึ่งเมื่อใดเมื่อนั้นแหละความอิสระที่เราเรียกอิสระภาพเสรีภาพพาราดอนภาพที่เราคุยกันอยู่นี่นะอไย้แบบอย่างที่ว่ามันไม่เรียกร้องกันตอนเนี้เรียกร้องอิสระภาพเสรีภาพพาราดอนภาพมันเรียกร้องเพื่อหวังสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งไม่มีวันที่จะได้ถึงความเป็นพาราดอนภาพ ความเป็นอิสระภาพรู้เสรีภาพได้นะไม่มีทางได้เพราะว่ามันยังหาสิ่งอื่นมาเป็นเกาะมันยังหาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งอยู่ไม่มีสิ่งใดจะมาเป็นที่พึ่งและให้เกิดอิสระภาพได้ไม่มีสิ่งใดมาเป็นที่พึ่งและให้เกิดเสรีภาพได้ไม่มีสิ่งใดมาเป็นที่พึ่งและให้เกิดภาวะดาวน์ภาพได้นอกจากว่าการฝึกฝนตน แล้วมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งนั้นเองหรือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งนั้นเองมันจึงจะมีพระดลภาพอิสรภาพและเสรีภาพเสรีภาพเมื่อมีแล้วมาจากการฝึกฝนตนนั้นเสรีภาพมีตนเป็นที่พึ่งนั้นเสรีภาพนั้นมันจะลงตัวหมดในสิทธิ์ของตนเองและในสิทธิ์ของผู้อื่นมันจะลงตัว มันไม่ไประเบิดมันไม่ปีเบียดเสียดสิทธิของใครแม้กระทั่งของตอนเองอันนั้นก็เรียกว่าสิทธิเสรีภาพการฝึกฝนตนการอบรมตนให้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมันจึงจะเป็นเรื่องราวที่จะตอกอให้เกิดสิทธิเสรีภาพอย่างแท้จริงไอ้ที่เรียกร้องกันอยู่นี่เรียกร้องเพื่ออะไรเพื่อให้มันเกิดรัฐมนูญก็ไปพึ่งตัวหนังสือ เพื่อเกิดองค์กรอิสระก็ไปพึ่งหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อให้เกิดบุคคลที่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นบุคคลต้นแบบก็นั่นก็หวังที่จะพึ่งพึ่งเรื่องข้างนอกทั้งสิน้นพึ่งเรื่องข้างนอกทั้งสิน้นแต่พอพระพุทธเจ้าจตรัสรู้สอนพุทธศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยเรามักจะเข้าใจฝ่ายเฝ น, นะอย่างอย่างเราบางคนมองว่าพุทธศาสนาคือเรื่องของอะไรนั่งหลับตาทาสมาธิ การทำสมาธิไม่ใช่พุทธศาสนาต้องเข้าใจนะแต่การทำสมาธิเป็นวิธีการฝึกฝนตนเป็นวิธีการฝึกฝนตนเพื่อการพัฒนาสติและปัญญาอย่างหนึ่งพอเราไปนั่งรู้ว่ามันเป็นคนพุทธยังไงอะ่ะคนพุทธต้องทำสมาธิตีบางครั้งสติปัญญาพัฒนา โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการของรูปแบบของสมาธิก็มีเพราะพระพุทธเจ้าเรียกสติที่เราพัฒนาว่าเป็นอะไรสติอะไรสติปัฐานใช่ไหมสติปัฐานเรียกว่าสาสติมีฐานเป็นที่ตั้งหรือฐานเป็นที่ตั้งของสติแต่เราบางทีเห็นใครไม่นั่งสมาธิแล้วเรารู้สึกรังเกียจวัดไหนที่ไม่นั่งแต่ว่าทุกที่เขาก็จะ ส่งเสริมเรื่องการนั่งสมาธิเพราะพระพุทธเจ้าต ร, รัสว่าไงสมาธิงพิก เ, กเวภาเวตะพิกษุทั้งหลายโ ท, ย ท, ทเธอจงเจริญสมาธิกันเถอะแต่ว่าคําว่ า, าเจริญสมาธินั้นมันไม่ได้หมายถึงนั่งอย่างเดียวนี่ใช่ไหมเออมันไม่ได้หมายถึงนั่งอย่างเดียวทําอย่างไรก็ได้ให้จิตเกิดการตั้งมั่นดี <c oughs> เพื่อที่จะได้เห็นเรื่องราวต่างๆตามความเป็นจริงได้ถ้าจิตมันไม่มีความตั้งมั่นมันจะเห็นเรื่องราวตามความเป็นจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวพุทธศาสนา คืออะไรก็คือความตั้งมั่นแห่งจิตเพราะมั่อมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันจะเห็นตามความเป็นจริงความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงเป็นอย่างไรเห็นเป็นอย่างนั้นตัวที่จะทําให้เกิดการเห็นอย่างนั้นได้ก็คือจิตที่มันตั้งมั่นการฝึกฝนเพื่อให้จิตตั้งมั่นนั้นมันมีหลายวิธีมีหลายวิธีการทําสมาธิก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ว่าเป็นวิธีที่มันถูกจริตกับ จริดส่วนมากมันก็มีน้อยที่อยู่ๆไปเจริญปัญญาเลยไปนั่งไอเดินเดินปล่อยจิตปล่อยใจไปแต่ว่าไอคนที่ที่ไม่ทำสมาธิเลยเดินไปแล้วได้ปัญญาสามารถเข้าถึงทําไดน้นั่นหมายความว่าอะไรจิตเขาฝึกฝนอบรมก่อนมาเยอะกำลังสมาธิก็ เ, เพียงพอเห็นอะไรปรากฏขึ้นเขาก็สามารถสัมผัสถึงนั้นได้ตามความเป็นจริงก็เข้าสู่ ก็เข้าสู่ธรรมะได้ทะลุ ก, กล้าไปได้เหมือนอย่างบุคคลไปนั่งดูต้นต้นไม้เห็นใบไม้มันหลุดลงมาใบไม้เหลืองหลุดออกมาจากขั่วก็น้อมก็มาสู่กายเออใบไม้นี้เมื่อก่อนมันก็เขียวนะแต่มันจะเขียวแค่ไหนสุดท้ายมันก็หลุดออกมาและหลุดแล้วกลับไปติดอย่างเดิมไม่ได้เหมือนกับชีวิตของเรานี่แหละ เมื่อก่อนโตมาเป็นเด็กเล็กอยากเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่โตขึ้นมาจานอายุขนาดนี้พอกแก่งอมเข้าไปมันก็จะต้องแตกตายทําลายไปเมื่อมันแตกตายทําลายไปแล้วไอ้กายที่แตกตายทํำลายแล้วก็ไม่สามารถกลับฟื้นคืนมาได้อีกเหมือนกันพอเกิด่างนี้มันก็เกิดความสลดแล้วมันก็สามารถทําลายสักยัตทิฏฐิออกไปได้อ่ายัางงี้จิตที่จะเห็นอย่างนี้ได้นี่มันจะต้องผ่านการฝึกฝนมามากพอสมควร เพราะฉะนั้นการทําตนฝึกฝนตนให้เป็นที่พึ่งฝึกฝนตนให้เป็นเกาะเรียกว่ายืนหยัดด้วยตนของตนเองนี่เป็นสิ่งที่ดังธรนนนัชญาสอนไว้มากโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิบัติธรรมในเรื่องของการอบรมธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะตัวธรรมะทั้งหมดเลยไม่ว่าสติสัมปชัญญะสติปัญญาฮิริโอตาปะโคจงทั้งหมดที่เป็นธรรมะ เชื่อไหมว่ามันมีนักปฏิบัติหลายท่านทีเดียวที่พอลงมือปฏิบัติทมแล้วหวังว่าธรรมะจะมาจากคนอื่นสภาวะธรรมนี้มีได้มาจากที่อื่นคือนั่งไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเรานั่งไปนานๆเหมือนกับมีอะไรมาเอ็นดูสงสารและทำให้เราได้ได้ธรรมะนั่งๆ น, นั่งไปเกิดมันสว่างโล่งโปร่งเบาสบายกือาโอ้โหวันนี้ เทวดาเข้าข้างจริงๆไปน้นแล้วเทวดาเข้าข้างจริงๆบางคนไปนั่งที่ไหนเพราะตัวนั่งได้ดีแล้วทีนี้จะไม่ไปที่อื่นแล้วจะไปนั่งแต่ที่นั่นเพราะคิดว่าที่ตรงนั้นมีคุณต่อมีมีสิ่งดีๆมสีสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่สภาพจิตเราเนี่ยที่มันหวังพึ่งสิ่งข้างนอกอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เราฝึกฝนตัวเองยังไม่พอ วันเราจะต้องมีความเข้าใจถึงสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งว่าเราฝึกฝนตนเองอย่างไรฝึกฝนตนเองอย่างไรสองเราก็พึ่งตนเองอย่างไราการฝึกฝนตนเองอย่างไรนี่เราก็คิดเอาเอีกไม่ได้มันจะต้องเอาของพระพุทธเจ้าออกมาเท่านั้นแหละเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ลองผิดลองถูกในการฝึกฝนตนเองมันนานมากเสียอสงไัยกับแสนกลับนะกว่าจะรู้เนี่ย เพราะฉะนั้นวิธีที่พระพุทธเจ้าแนะหรือสอนเนี่ยเป็นวิธีที่ร้อยเปซนที่ถูกต้องแต่ถ้าวิธีของคนอื่นมันไม่แน่มันจะเอาใจเราอยู่เรื่อยมันจะเอาใจเราอยู่เรื่อยเดี๋ยวนี้มันก็มีเยอะนะยิ่งในโลกปัจจุบันนี้คนมันขี้เกียจอะ่ะคนมันคนมันขี้เกียจการใช้ร่างกายเนี่ยมันขี้เกียจเหตุที่ขี้เกียจ เพราะมันมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องขยันคือขยันหมายความว่าการขยันในการใช้กําลังกายอะ่ะมันไม่จําเป็น น, นั่งแต่บนเก้าอี้อย่างเดียวดูแต่หน้าจอคอมทางานสบ า, ายแล้วคือบริบทบริบทของคําว่าขยันของคนในปัจจุบันเนี่ยมันต่างจากคําว่าขยันของคนในสมัยก่อนถ้าความขยันของคนในสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องเหงืออ่อไหลใครย้อยเหนือ่อยอลาเปลี่ยเดียแรงใช่ไหม แต่คนในสมัยปัจจุบันขยันมันไม่ต้องมานั่งในห้องแอร์อยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยความขยันของเขาความขยันของเขามันเป็นความขี้เกียจกายมันขี้เกียจใจมันก็ขี้เกียจความขยันที่มันเปลี่ยนออกไปเมื่อก่อนมีเว็บไซต์อยู่เว็บไซต์หนึ่ง เอเพจที่มันขายเครื่องเนี่ยขายเครื่องรางขายเครื่องรางอ่ะมีแมงผู้มีตัวต่อมีค้างคบกบเขียดมีครบอ่ะแล้วก็เป็นสร้อยข้อมือเด็กที่เข้าไปที่ที่ที่มารู้จักนะจบเอแบกจบคือว่าโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียนแบบ จบนอกก็มีนะจบมาจากอังกฤษจากสวีเดนจากโน่นนี่เยอะเลยแล้วไม่ใช่เรียนทันธรรมดานะส่วนมากจะเป็นริญญาโทเป็นอย่างน้อยมาทำงานทำการต้องวิ่งไปหาไอ้เพจเนี้ยเพื่อที่จะเอาสร้อยข้อมือที่เป็นตัวต่อเป็นแมงผู้เป็นอะไรมา มันไว้อยู่ที่ห้องอันตรายอยู่เป็นกรรมแล้วคือพอเอามาเสร็จหวังว่าจกให้ได้เร็วๆอย่างเออแย่งกันสมมติว่าเข้าไปสมัครสี่ตำแหน่งสี่คนหนึ่งตำแหน่งมีตำแหน่งเดียวทํำยังไงอะหลวงพ่อช่วยหน่อยแล้วกูจะไปช่วยยังไงหลวงพ่อพึ่งไม่ได้แล้ใช่ไหมเออหลวงพ่อพึ่งไม่ได้ใช่ไหมไปถึงไปปรึกษาคนโน้นคน น, นีน้เขาก็แนะนาแล้วนี่อันเนี้ย ก็ไปเอามาถึงโอ้โหเสร็จแล้วไม่ได้โอ้ไม่ได้เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าบูชาไม่ถูกก็ต้องไปบูชาใหม่เพื่อหางานใหม่หาเพื่อรอจังหวะใหม่พอไรบัดนั้นแบูชาไม่ได้อีกก็ต้องไปหาอีกเขาบอกให้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเป็นตัวคู่ คือตัวเดียวไม่ได้มันต้องให้เป็นคู่่าพลังมันจึงจะเยอะเปลี่ยนมาเป็นคู่อีกทาอย่างเงี้ยพวกไม่ใช่คนเด็กงูนะพวกปัญญาโทเมืองนอกนั้นนะ่ะแล้วเพจนี้มันมีขายอยู่ในห้างนะดังมากมีเงินหมุนเนี่ยเป็นหลักเป็นรบพันล้านนะ อ, อ่ะแล้วขายทั่วโลกมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าคน หมดความเป็นพึ่งห่าเงเหินออกจากการพึ่งพาตนเองมากขึ้นทุกวันมากขึ้นยิ่งโลกพัฒนาไปเรื่อย ๆ, ๆคนยิ่งห่าเงเหินจากการพึ่งมืวเองทุกวันการห่าเงเหินจากการพึ่งพาตัวเองนั่นคือว่าห่าเงเหินจากการฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อให้ตนเป็นที่พึ่งเข้าใจไหมเออมันจะมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น แม้ในศาสนาพุทธเนี่ยนะให้จำไว้เลยวัดไหนสำนักไหนหรือใครที่มีแนวคิดในเรื่องที่การที่จะทำเป็นวัตถุมงคลตำโน่นนี่นั่นนะลาหลังหมดนะในยุคปัจจุบันเพราะอะไรเพราะว่ามันมองความจริงกระจ่างด้วยวิทยศาศาสตร์อะไรที่เป็นความเป็นศาสนาพุทธ ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เท่านั้นที่มันจะอยู่ได้อะไรล่ะที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือสติปัฏฐานนี่แหละ <c oughs> การที่พเรามานั่งฝึกฝนนั่งสมาธิเดินจงกรมรู้ลมหายใจนี่แหละต่อไปมันจะเหลืออยู่อย่างเดียวในศาสนาพุทธที่วิทยาศาสตร์ทำลายไม่ได้เพราะมันพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ มันพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เข้าไปทําลายไม่ได้ะมันพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์แต่นอกนั้นแล้วที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนและแปลกปลอมเข้ามาอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆเยอะมากเต็มไปหมดอีกมันจะหายไปหมดและคนจะรู้สึกเสียเวลากับการที่จะต้องไปยุ่งเกี่ยวข้องแวะกับสิ่งเหล่านั้นอื แล้วเดี๋ยวนี้เราสังเกตไหมว่ามันมันมันเกิดอะไรมันเกิดว่าอย่างเช่นมีพระมหาสองรปูปท่านไม่ได้ทำอะไรนะเออนั่งออกเพรนั่งไล้สดอะแล้วก็หัวเราะคุยกันหยอกรอะกันไปหัวเราะกันไปคนเข้าไปดูพร้อมกันนี่สองแสนคนสองแสนแอเคเขาอะ่ะไม่มีในประวัติการของประเทศไทย พระสองรูปนั่งเยาะกันไปหัวเราะกันไปหัวร้าจังจะนรั้ํน้ำตาร่วงอะ่ะคนและคนที่เข้าไปไม่ธรรมดานะสื่อมวลชนอาวโุโสนักข่าวตามสังนักต่างๆจากช่องทีวีต่างๆแถมยังไปแชร์เข้าไปออกเพจของแต่ละคนแต่ละคนที่มีคนติดตามเยอะๆไม่มีอะไรเลยหัวเราะกันสนุกสนานแค่นั้นนี่คืออะไรหมายความว่างไง คนมันมันเกิดอะไรขึ้นคนมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าความสบายใจของคนที่เป็นภายในจริงๆมันไม่มีมันไม่มีความสบายใจเลยที่อยู่กันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันมีความรู้สึกวันเกรงพรั่นพรึงหวาดระแวงหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลา และเอาสัญญาเอาความคิดมากดทับตนเองไว้มากดทับตนเองไว้วเหมือนอย่างอยู่บ้านนอกค อ, อกนาเรียนหนังสือจบด็อกเตอร์เป็นไงล่ะเมื่อก่อนขอตังค์แม่เรียนเดือนไม่เท่าบไม่กี่บาทเดี๋ยวนี้ทำงานรายได้เดือนหนึ่งเป็นแสนเอามีภรรยาภรรยาก็เป็นด็อกเตอร์เป็นศาสต ร, ราจารย์ มีลูกมีต้อก็เรียนโรงเรีย น, ยนดีๆแล้วตัวองก็เป็นที่รู้จักรายได้ที่ตนเองจะได้กินได้ใช้จ่ายกันในครอบครัวเพียงพอแล้วได้ยินข่าวไหมที่มีคนหนึ่งมันยิงตัวตายก่อนยิงตัวเองตายยิงภรรยาและหญิงลูกได้ดูข่าวไหมคราวที่แล้วใครไปทอดพ้ปาป่ากับกับเราที่ใต้ไหมไปทอดพระป่าที่ใต้คราวนั้น ที่เอกชัยชาตรตอนนั้นที่เราไปพักที่นาสวนโมกไอ้คนที่เป็นข่าวที่มันยิงตัวเองตายที่เป็นสอจอคนนั้นเป็นเป็นผู้ซับพอร์ตในเรื่องที่พักและอาหารทั้งหมดที่นาสวนโมกโอ้ยมันสบายมากแล้วชีวิตแล้วเป็นไงทาไมถึงไปอย่างนั้นอ่ะเพราะมันเห็นว่าในสุดมันพึ่งอะไรไม่ได้ไง มันพึ่งอะไรไม่ได้เราก็อย่าไปมองว่าโอยทาไมก็โง่จังมันไม่เกี่ยวเมื่อสภาวะธรรมที่มันปรากฏในขณะนั้นส่งผลให้เขาเป็นทุกข์มากกว่าการที่จะอยู่หายใจมันก็การตายไปมันจึงเป็นเรื่องที่ที่ดีที่สุดของสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้นเพราะนั้นคนเราในขณะนี้เนี่ย มันจะมีความหวาดระแวงหวาดหวั่นพรั่นปรึงหวาดกลัวและทำเป็นสัญญามากดทับตัวเองอยู่ตลอดเวลารู้สึกไหมว่ารู้สึกว่ามันมีความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลารู้สึกไหมรู้สึกไหมรู้สึกไหมคนที่มีครอบครัวมันก็หวาดกลัวไปอย่างหนึ่งคนที่ไม่มีครอบครัวมันก็หวาดกลัวไปอย่างหนึ่ง อ้าวไอคนที่สมมติว่าแต่งงานกันแล้วใช่ไหมมันคิดถึงแล้ว <c oughs> อยู่นันีแก่ขึ้นมาทำไงว่าลูกไม่มีหนางี้อีกเนื้อก็แก่ขึ้นมาได้ทำไงนะลูกดาวก็ไม่มีอ้าวไอคนที่มีลูกมีลู ก, ม, ลกมีลูกก็นั่งคิดอีกป่านนี้แล้วมันยังไปไม่ถึงไหนเลยเดี๋ยวพวกเราแก่ตัวขึ้นมาแล้วจะทำยังไงกันตอนนี้อ่ะเห็นไหมวาดวันไปอีกเอาคนที่อยู่เป็นสดวัดวันไหม ตายแล้วกูแก่มาทำไงวะเจ็บไกยเครจะดูแลล่างขี้สีเยี่ยวไงวะฮะฮะเพราะความหวาดหวั่นระแวงความหวาดกลัวความพลันพึงอันนี้แหละมันพวกเอกชนทั้งหลายมันจึงเกิดเป็นหมู่บ้านทั้งยันไหมหมู่บ้านต่างๆเพื่อหลอกไอ้พวกที่หวาดหวัน่นหวาดระแวงหวาดกลัวพลันพึงพวกนี้แหละ เข้าไปซื้อบางคนโอ๊ยองงเงินเงินต้องเยอะนะซื้อแล้วก็ไม่มีสิทธิไม่ได้สามารถถ่ายทอดออกหาทา ย, ยาทได้นะซื้อเนี่ยสิบล้านตัวเองเข้าไปอยู่สบายตายเมื่อไรจบไม่มีตกทอดไปที่ใครยัยงยอมไปซื้อแทนที่มันจะมานั่งสมาธิเดินจงกรมฝึกไห้สติไ้สติสัมปชัญญะมันวุฒิทิ้งวีรูนิ่งเวปุลังขึ้นมา โอยมันอลังการไวยเยอะมันจะไม่ต้องกังวลกับการที่ใครจะพาไปส่วมใครจะป้อนข้าวให้มันจะไม่กังวลเลยเพราะว่าจิตจะมีฉันทะและอะไรรู้อยู่กับปัจจุบันจิตที่มีฉันทะและรู้อยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่นั่นน่ะคืออิสรภาพที่มันปลอดมาจากความกังวลในอดีตความกังวลในอนาคต จิตที่แน่วแน่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยคือจิตที่ฝึกฝนแล้วแล้วแน่วแน่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะร่าเริงมันจะบันเทิงมันจะสงบมันจะแช่มชื่นเย็นนี้เราตายหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่วันนี้ตอนนี้เวลาทีนี้เรายังไม่ตายเรายังต้องเอาสัญญามากดตัวเองไว้แล้วมันเกิดความหวาดหวั่นระแวงความพรั่นพึงความหวาดกลัว ทำปัจจุบันทึ่งมันเป็นเรื่องเดียวที่ทําให้รู้ว่ามีชีวิตอยู่เนี่ยกลายเป็นเรื่องทุกข์ไปเพรา ะ, ะนั้นอดีตกับอนาคตมันควรจะไปทุกที่อดีตหรือควรจะไปทุกที่อนาคตแต่ปัจจุบันนี่มันไม่ควรแล้วเพราะมันน้อยนิดปัจจุบันแป๊บเดียวก็จะไปเป็นอดีตแล้วปัจจุบันนี่แป๊บเดียวมันก็จะไปเป็นอดีตแล้วแป๊บเดียวมันก็จะไปเป็นอดีตแล้วแล้วเราจะให้ ปัจจุบันของเราอันน้อยนิดนี้มาเป็นทุกข์เพราะอะไรใช่ป่ะเราจะเอาปัจจุบันของเราที่มีอยู่เนี่ยและที่นั่งมือเงี้ยนี่คือปัจจุบันนะปัจจุบันอย่างเงี้ยจะปล่อยให้มันเป็นทุกข์ยังไงมันมีอยู่นิดเดียวถ้าตรงนี้เป็นทุกข์แป๊บเดียวก็ไปอดีตนตรงนี้เป็นทุกข์แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลุกขึ้นเดี๋ยวไปอาหารแล้ว ทุกการเคลื่อนไหวในกิริยาอันเป็นปัจจุบันมันควรจะเป็นสุขมันไม่ควรจะไปเป็นทุกข์ในกิริยาที่เป็นปัจจุบันแต่เราพูดกันเข้าใจกันว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่เอาจริงๆแล้วเราเป็นทุกข์ตรงไหนเราเป็นทุกข์ที่ไหนที่ปัจจุบันเนี่ยหรือใครบอกว่าเราเป็นทุกข์ในอดีตหรือทุกข์ในอน า, าคต เราเอาอาดีตมาเป็นทุกข์ในปัจจุบันเราเอาอนาคตมาเป็นทุกข์ในปัจจุบันต่างหากใช่ไหมครับเราทุกข์กับทุกไหนทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยในเวลานี้ในขณะนี้ในขณะที่ฟังอยู่เนี้ยในขณะที่รู้สึกอยู่เนี้ยซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าในขณะเนี้ยมันไม่จําเป็นต้องทุกข์ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้เลือกเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้เลือกเราจะเลือกไม่ทุกข์ได้ไหม เอาเวลาโกรธมันโกรธเพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้เลือกโกรธในขณะที่เราโกรธอยู่เราไม่โกรธได้ไหมใครห้ามมีกฎหมายไหมไม่มีเราโกรธอยู่เนี่ยโกรธหัวหมุนอยู่เนี่ยเราเลือกที่จะไม่โกรธก็ได้เราอิจฉาริษยาหุนงันอยู่เนี่ยเราเลือกที่จะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ถูกไหมเราเลือกได้ เราเลือกได้เพราะฉะนั้นในกระบวนการที่จะทำให้ปัจจุบันของเรานั้นเป็นสุขมันจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเพื่อดึงที่ดึงเราออกมาจากความหวาดกลัวความหวาดระแวงความพลั้นพรึงทั้งปวงแต่ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าไอ้ความหวาดวระแวงความหวาดกลัวมันจะกดเราอยู่ทุกวินาทีทุกขณะที่เรารู้สึกถึงตัวเราเอง และทุกๆเรื่องที่มันเชื่อมโยงกันไปนึกถึงบางเรื่องมันมีความสุขนะแต่พอนึกไปถึงความสุขแล้วมันก็มีความหวานหวาดระแวงความหวาดกลัวความผันรึงพอนึกถึงเรื่องงานดีไหมโอ้ยงานเราก็ดีนะขนาดโควิดแล้วเรายังมีงานนะยังมีออเดอร์ใช่ไหมแต่พอนึกไปนึกมาปั๊บเกิดความหวาดระแวงใช่ไหมความหวาดระแวงยัง นึกแป่ปเดียวอ่ะมันสบายใจแป่ปเดียวที่เหลือคือหวาดระแวงพั่นพรึงหวาดระแวงพั่นพรึงพอนึกแล้วเกิดหวาดระแวงไหมหลายเรื่องพอนึกนึกสบายๆพอนึกถึงเรื่องใดมีความสุขใช่ไหมเสร็จแล้วหวาดระแวงพั่นปรึงมันก็จะมาหวาดกลัวก็จะมาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่ จึงไม่พูดถึงเรื่องของการพึ่งโลกเพราะมันพึ่งไม่ได้เมื่อเรามาฝึกฝนตนตามที่พระพุทธเจ้าสอนแทนที่เราจะไปเอาโลกมาเป็นที่พึ่งเราโลกเป็นไงโลกได้พึ่งเราแล้วใช่ไหมโลกได้พึ่งเราเราสามารถเป็นที่พึ่งของโลกได้ไม่ใช่โลกจะต้องมาเป็นที่พึ่งของเราโลกเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้แน่นอน แต่เราเป็นที่พึ่งของโลกได้ถ้าเราฝึกฝนตนพระพุทธเจ้าเนี่ยหิตายะสุขายะอัตถายะอพอหลังจากเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเป็นที่พึ่งของโลกแล้วไหมโลกนาทะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขต่อโลกนี่คนที่ฝึกฝนตนแล้วเหมือนกันเมื่อสติ สัมปชัญญะมันจะเรืองอกงามไพูุ่์ขึ้นมาเมื่อใดเมื่อนั้นแหละมันจะมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสรระมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะทันทีทันทีคำว่า ท, ที่พึ่งที่พูดถึงเนี่ยคืออะไรที่พึ่งที่พูดถึงนี่คื อ, อ, ค, อคือว่าความสุขความสงบความมีอิสระต้องดูตรงนี้นะ ไม่ใช่ว่าที่พึ่งว่าอยากมีเงินแสนอยากมีเงินล้านพอพึ่งตนแล้วจะได้เงินแสนเงินล้านทันทีมันไม่ใช่นะหมายถึงว่าความสุขความมีอิสระความสงบมันจะเกิดขึ้นกับการพึ่งตนและเราปรารถนาความสุขความมีอิสระและความสงบนั่นเองที่เราวิ่งหาพึ่งสิ่งต่างๆ เราวิ่งหาพึ่งสิ่งต่างๆก็หวังนี้แหละหวังความสุขความอิสระและความสงบแต่มันไม่ได้มันได้ด้วยการพึ่งตนแล้วความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่สอนมาเพื่อให้เราพึ่งตนทั้งนั้นไอ้ท่องขึ้นใจเลยอัตตาทีปะอัตตาสารณาธรรมทีปะธรรมสารณาไม่มีทางที่จะไปเป็นพึ่งอย่างอื่นได้ พอเริ่มต้นขึ้นมาพระพุทธเจ้าสอนเห็นไหมขันตีปรมังตโปตีตีกนานิพานังปรมังวัดันติบุท t h อนุบววัตัอนุปกาโตปัิบุเกจะสร้างวารโรมัตตัญญูตาจะพัฒนสมิงปันตัญจะสยานตนางอาทิจเตจะอายโยโคเอตังพุทธานะัชสนนังนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธเจ้าสอนขึ้นต้นขันตีปรมังตโปตีกาขันตีแปลว่าอะไรแปลว่าอดทนใครอดทน ใครอดทนสอนให้ใครอดทนทําไมเราต้องอดทนเพราะฝึกฝนตนใช่ไหมมันต้องอดทนเอาความอดทนมาใส่ที่ตนไม่ใช่ไปใส่ที่อื่นให้ตนผ่านความอดทนไปบ่อยๆบ่อยๆจนความอดทนนั้นบ่มมาเป็นตบะอแล้วผู้เจ้าสอนเนี่ยมั้ฝึกฝนตนหมดเลยลงไปนะพอมันฝึกฝนแล้วมันก็จะได้มีตนนั้นแหละเป็นที่พึ่ง แล้มันเท่าทันกันหมดเลยคําว่าฝึกฝนตนไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีฐานะไม่มีอายุทําปั๊บได้ปึ๊บทําปั๊บได้ปุ๊บทําปั๊บได้ปึ๊บรักษาศีลได้ศีลให้ทานได้ให้ทา น, ทานจเจริญภาวนาก็ได้จเจริญภาวนาจเจริญสติก็ได้สติทันทีทําให้ถูกต้องแล้วก็ได้ทันทีทําให้ถูกต้องแล้วก็ได้ทันทีรู้อย่างนี้และจะช้าอยู่ทําไมอ่ะใช่ไหม ช้าอยู่ทาไมรู้อย่างนี้ช้าทำไมช้าไม่ได้แล้วมันจะมัวไปเสียเวลาวิ่งหาที่ไหนอ่ะเพราะมันจะต้องที่ไหนที่ตนอา้าวตนอยู่ตรงไหนนี่ไงเออร่างกายที่ยาว1นึวานาหนึ่งคืบเนี่ยจัดการเลยทำความรู้ให้ถูกต้องเชื่อในพระพุทธเจ้า เชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในคำตรรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตรงไปตามนั้นแหละอะไรที่ขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าไม่เอาไม่เสียเวลาใช่ไหมไม่เสียเวลาไปหาบุคคลมันเป็นต้นแบบใหม่อีกแล้วเอาพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแล้วไม่เสียเวลาวิงหานสิ่งอื่นซึ่งไม่ใช่พระพุทธเจ้าอีกแล้วเพรา ะ, พระ พ, ระพระพุทธเจ้านี่ฝึกฝนตนมาที่สุดแล้วจะเป็นหลวงปู่จะเป็นหลวงพ่อไหน ก็ถ้าขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าก็ไม่เอาแล้วแม้กับอาตมาก็เหมือนกันถ้าเข้ากันไม่ได้กับพระพุทธเจ้าก็ห้ามเอาเหมือนกันเอาไปเป็นต้นแบบไม่ได้เข้าใจไหมต้นแบบของเราต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละแล้ว ก, ก็ฝึกฝนตามความรู้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนซึ่งในปัจจุบันนี้เห็นชัดแล้วมันเหมือนกับร่อนแร่มันเอา ดินเอาดินเอาใสใส่ในเขาเรียกภาษากรุงเทพเขาเรียกอะไรไม่รู้ภาษาบ้านอาตมาเขาเรียกว่าเลียงเลียงลักษณะเงี้ยใสเข้าไปแล้วให้ผ่านน้ําอ่ะแล้วก็วิธีกเลียงเลียงเออเลียงอย่างงี้ไงไอ้พวกดินพวกอะไรต่างๆมันก็จะลอยออกไปลอยออกไปลอยออกไปลอยออกไปลอยออกไปลอยออกไปลอยออกไป หินบกกรหินต่างๆก็ลอยออกไปลอยออกไปที่เหลืออยู่ก้นเรียงนี้ก็คือแร่ก็เรียกเรียงแร่ไอแร่ที่เหลืออยู่ตอนนี้มันเหลื อ, อยังมันเหลือแล้วเห็นแล้วว่าวิชาใดๆทั้งหลายไม่มีไม่เป็นสัจจะที่จะนำพาชีวิตที่จะให้ฝึกฝนชีวิตของเราให้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้ ให้มีตนเป็นสาระให้มีตนเป็นเกาะได้นอกจากวิชาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนี่คือการสร้างความเชื่อในพระพุทธเจ้าแล้วก็หนัดหนักแน่นยืนหยัดอยู่ในแนวทางของพระองค์ะการเปิดเปิดใจของตนเองให้เข้าหาพระพุทธเจ้าแล้วไม่รอช้าขวนขวายเดินในเส้นทางนี้ มันก็จะยิ่งเพิ่มกำลังให้กับการที่เราจะมุ่งมั่นในการรู้อย่างถูกวิธีอย่างอนาปานาสติเนี่ยเวลาเรารู้สึกว่าเรามีปัญหากับอนาปานาสติเวลาเราปฏิบัติสังเกตไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่มามีปัญหากับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมันมีปัญหามาจากหนึ่งมาจากกิเลสของเราเองใช่ไหม สองมาจากความรู้ที่ที่เราไปเรียนมาจากที่ต่างๆสามมาจากนิสัยสันดานที่มันเกิดความเคยชินมันไม่ใช่มีอะไรของเพราะถ้าเรา ร, รู้เชื่อและก็ทาตามที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างมุ่งมั่นแน่วแน่ตรงเข้าไปพระพุทธเจ้าบอกว่านิมิตรตังเอ่อท่านบอกว่านิมิตตังอัศสาสะปัสสาสาแยกให้ออกนิมิต ลมหายใจออกลมหายใจเข้าพอแยกรู้อย่างนี้แล้วให้วางสติระลึกตรงลงไปในนิมิตแล้ววางสมปัญญะคือให้รู้คลอเมื่อยามที่มีลมหายใจไหลออกยามเมื่อลมหายใจไหลเข้าาว้าระลึกรู้คลออยู่ตรงนั้นมันก็ยากไหมควางเลยมันโอ้โหนี่มันซับซ้อนมากเหรอฮะบวย มันไม่ทับช้อนหาอะไรเลยเนี่ยมันรู้ตรงเนี้ยระลึกตรงไปแล้วรู้คลออยู่ตรงนี้เมื่อลมหายใจเคลื่อนผ่านก็รู้รู้ตั้งแต่ลมมันเริ่มต้นเคลื่อนไหลจนสุดลมลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้รู้คลออยู่ตรงเนี้ยอันนี้เป็นจุดที่เราระลึกแล้วเราก็เฝ้ารู้คลออยู่ตรงนี้พอลมหายใจออกกูเราก็รู้อยู่ตรงนี้ เหมือนแม่น้ำเหมือนสายธารลำธารที่มันไหลเราก็ยืนจ้องใช่ปะ่ะเรามองอยู่ที่เดียวที่น้ำสายน้ามันไหลมันจะไหลไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่ไหลไปแต่มองรู้ตามขนาดความยาวที่มันไหลแต่ดูอยู่ที่เดียวเหมือนกันที่มันดูได้เหมือนกันนี่เหมือนกันเนี่ยลมหายใจเรามันลงมางี้ใช่ไหมขึ้นลงงี้ใช่ไหมถ้าเราเฝ้ารู้อยู่ตรงไหนได้ที่เรารู้สึกได้ เราก็เฝ้าอยู่ตรงนี้ระลึกบึกสัมปชัญญะคือรู้คลออยู่ตรงนี้พอลมหาใจผ่านปั๊บก็รู้ไอ้นี่ก็ไม่ใช่เราลมก็ไม่ใช่เราถูกไหมถูกไหมโพรงจมูกตรงนี้ก็ไม่ใช่เรามันเป็นบิงที่อาศัยทั้งหมดเลยเราก็รู้อยู่ตรงนี้ลมหาใจก็ปั๊บก็รู้ลมเข้าปั๊บรู้ลมออกปั๊บรู้ลมเข้าปั๊บรู้ เบ อ, อกว่ารู้รู้เนี่ยมันจะมีตัวระลึกกับตัวรู้รวมเป็นผู้รู้ตัวรู้คือรู้ตัวรู้ ต, ตัวตรงนั้นคือสัมปชัญญะจะขยายตัวออกมาจะมีกําลังเพิ่มขึ้นกําลังเพิ่มขึ้นตัวสติระลึกก็จะมีกําลังเพิ่มขึ้นเท่ากับตัวสัมปชัญญะเขาจึงเรียกสติมาสัมปชาโน สติมาตัวระลึกที่ขยายแต่มีกำลังขึ้นมาสัมปชาญญคือตัวรู้ตัวรู้รู้ในจุดที่ระลึกมีกำลังขึ้นมาเรียกว่าสาติมาสัมปชาญญมันมันง่ายไหมง่ายไหม <laughs> แล้วทำไมผมผมทำได้รู้ ทำไมมันรู้มันไปที่หน้าอกด้วยมันไปตรงนู้นด้วยมาที่หน้าผากด้วยมันไปที่แขนด้วยทําไมเดี๋ยวพอรู้ตรงนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวมันไปรู้ท้องด้วยเดี๋ยวมันไปรู้ตรงนู้นด้วยเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็ช่างมันนี่ก็ช่างมันมันรู้ได้ก็รู้เรื่องของมันใช่ไหมแต่ว่าตัวที่เราจะโฟกัสกับมันก็คือว่าตรงนี้ที่มันลู้ลมไออย่างตรงนี้มันลมไหมไม่ใช่ลมตรงนี้ลมไหม ไม่ใช่ลมก็เหมือนเมื่อวานที่ยกให้ดูเนี่ยรู้ตรงนี้โฟกัสรู้ตรงนี้อาออาจารย์แล้วทำไมมันไม่รู้สีขาวขอบเหวทำไมต้องเห็นขอบด้วยอ่ะมันถูกไหมเนี่ยเท่ากับมันรู้หลายอย่างไหมมันรู้ตรงนี้ด้วยรู้ขอบด้วยรู้ขอบบนด้วยขอบซ้ายด้วยขอบขวาด้วยมันใช่ไหมรู้ตรงนี้ไหมรู้ก็รู้ไปสิ รู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปไอเราก็ไม่ฟังไอเราก็ไม่ฟังเราทําไมตงใสจังแล้วตรงนี้อะแล้วตรงนี้อะก็มารู้อยู่ด้วยนะเนี่ยเออใช่ปะ่ะเข้าใจอยังเขาให้รู้คาว่านิมิตนิมิตก็ตรงที่ทมรนลึกลงไปปับ๊บรู้ แล้วสัมปชัญญะกรู้คลออยู่ตรงนี้พอลมหายใจเคลื่อนไหวผ่านมันก็รู้ตามที่ลมมันเคลื่อนไม่ต้องไปบริกรรมอะไรสังเกตว่าถ้าทำอย่างนี้คาบริกรรมมันจะหายไปเอาอะไรมาบริกรรมไม่ได้หรอกมันไม่ลงเข้าใจปะ่ะถ้าจิตแยกให้ออกอย่างนี้ทำความเข้าใจอย่างนี้คาบริกรรมมันจะหายไปมันทำไม่ได้ นี่มันยากไห้ยากวะออพระพุทธเจ้าบอกยิ่งของพระพเจ้าพราเรารู้อย่างนี้แล้วอ๋อทำอย่างนี้โซ ส, โตสตัววะอสติสโตัวสติมีสติหายใจออกมีสติหายใจเขา้ายิ่งง่ายใหญ่แล้วมจะไปทําอย่างอื่นนั้นมันเสียเวลาทําไมก็พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้เข้าใจปะเออเออ เพราะฉะนั้นการทำตนให้เป็นที่พึ่งการทำตนให้เป็นเกาะมันจึงเป็นเรื่องราวที่สําคัญมากและแน่นอนที่สุดการทำตนให้เป็นที่พึ่งการทำตนให้เป็นเกาะนั้นไม่ใช่เรื่องอื่นไกลเป็นเรื่องของการพัฒนาสติปัญญาทำให้ตนมีสติและปัญญามีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้วนนั้นเองตอนนั้นเองพระพุทธเจ้าสอนว่าสเพสังขาราอนิจจา สเพสังขาราทุกขาอ้าวเราเราเราเคยดูแบบที่พระพุทธเจ้าสอนไหมล่ะฮะก็เราร้องไห้เราเสียใจเราดีใจเราสนุกสนานเรื่องเรื่องเนี่ยเพราะมันเป็นสเพสังขารานิจจาสเพสังขาราสุขาแต่พระพุทธเจ้าบอกนอนมันเป็นานิจามันเป็น ทุกขาไอเราบอกนิจจาสุขขาเราสวนทางกับพระพุทธเจ้าไหมพอเราสวนทางกับพระพุทธเจ้ามันเกิด อ, อะไรขึ้นน่ะมันเกิด อ, อะไรขึ้นเราก็ร้องห่มร้องง่ายเสียอกเสียใจลื่นเรืองเหลือง ล, ล, ลอยอยู่อย่างนั้นน่ะบวกบวกลบลฟูฟูฟ้อแฟบ แต่พระเจ้าบอกสเปสังขารานิจารสเปสังขารทุกขาเราฟังดูเออมันก็จริงนะแต่เราเป็นไงแต่ในความเป็นจริงแล้วเราเป็นไงสเพสังขารานิจารสเพสังขาราทุกขาถ้าเรามันต้องไม่แก่เราแกไหมพยักหน้าว่าแก่แต่เราเชื่อไม่ว่าเราแก่ เราเชื่อไหมเรารู้สึกเป็นทุกข์ไหมเวลาความแก่มันปรากฏมาเรื่อยๆฮะทำไมเราต้องมีทุกข์เพราะเราสัพเพสังคารานิจจทาทั้งทั้งที่เรารู้นะทั้งทั้งที่เรารู้นะเพราะผมหอขึ้นมาอย่างควรผมหน่อยเนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนแล้วเป็นเดือดเป็นร้อนแล้ว แต่ตรงนี้มันเป็นผลนะมันเป็นผลเป็นผลก็คือว่าเป็นผลจากการที่เราไม่ได้พึ่งตนเพราะฉะนั้นเราจะเป็นไ้มันเป็นไปตามความเป็นจริงได้นั้นมันจะต้องฝึกฝนอบรมพัฒนาสติเมื่อสติสัมปัญญาหรือสติปัญญาเขาพัฒนาขึ้นมามันจะเห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริง มันจะเห็นตามความเป็นจริงมันจะไม่นั่งทุกข์หัวร้อหัวร้องไห้มันจะไม่โห่ร้องยามันถูกใจและมันจะไม่ร้องไห้ ย, ยามมันเสียใจเมื <ME U TER S> ่อสติปัญญามันได้รับการพัฒนามาตามระดับเพราะฉะนั้นความทุกข์มันจึงเกิดขึ้นตามกําลังของสติปัญญาที่ได้รับการฝึกฝนนี่แหละเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสําคัญ แล้วก็แน่นอนที่สุดเลยเราจะไปบอกว่าไอ้สติปัญญาที่ว่านี้มันจะต้องไปฝึกฝนด้วยแบบอื่นแบบอื่นเขาเขาลองมาหมดแล้วนะเขาลองมาหมดแล้วก่อนที่พระพุทธเจ้า ต, ต, ต, ตรัสตรรุนี่เขาลองกันมาหมดแล้วในวิธีสมถกรรมฐานสี่สิบวิธีที่มีอยู่นั้นกนนนนะ็มีมาก่อนทั้งนั้นนะมีมาก่อนทั้งนั้น่ะ พวกกอดโสงกัดศินทํากันมาแล้วทั้งนั้นน่ะทํากันมาแล้วทั้งนั้นแต่ในที่สุดมันพัฒนาไม่ได้มันพัฒนามาขึ้นมาไม่ได้พระพุทธเจ้ามายอมรับสําหรับที่จะให้เป็นฐานคือฝึกฝนให้มันได้สมาธิมันในระดับหนึ่งแล้วก็มาเจริญวิปัสนาเอาพระพุทธเจ้ามายอมรับแล้วให้มันจเจริญวิปัสนาเอาแต่อานาปานสติ <laughs> ที่เราเรียนกันอยู่อย่างถูกต้องและทำให้มันเหตุให้มันถูกต้องนั้นมันจะเดินเป็นลำดับชั้นตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดเข้าใจปะละ่ะอาณาบาลนัสตินั้นเราไม่ต้องไปเรียนแยกแยะว่าอันนี้เป็นนามรูปปริเฉทยานนามรูปปัจจยะปริขหายานอะไรต่างๆไม่ต้องไปรู้เรื่องรูปพวกนั้นทำเหตุที่เป็นอนาณาปาลนัสติขั้นที่หนึ่งให้มันถูกต้อง ก็จะได้รับผลเป็นขั้นที่สองทำเหตุคือผลของขั้นที่2นั้นให้ถูกต้องต่อเนื่องด้วยความเพียรก็จะได้รับผลเป็นขั้นที่สผลขั้นที่3านั้นทำเหตุทำให้เป็นเหตุทำให้ถูกต้องด้วยความเพียรก็จะได้รับผลเป็นขั้นที่4ี่เป็นลำดับไปอย่างนี้ถ้าเรียกเป็นวัตถุนะ16วัตถุทำวัตถุที่หนึ่งให้ถูกต้องวัตถุที่สองปรากฏ ทำวัตถุที่สองให้ถูกต้องวัตถุที่สมปรากฏทำวัตถุที่สามไม่ถูกต้องวัตถุที่สี่ปรากฏทำวัตถุที่สให้ถูกต้องวัตถุที่ห้าปรากฏทำวัตถุที่ห้ถูกต้องวัตถุที่หปรากฏไปเรื่อยๆจนถึงทำวัตถุที่15้าให้ถูกต้องวัตถุที่สิบหกก็ปรากฏเข้าใจไหมนี่อำนาปัญสติมันมันยิ่งใหญ่อย่างนี้อ่ะแล้วก็อย่างอื่นด้วยไหมเอาด้วยไหมกรรมฐานอื่นเอาด้วยไหมเอาด้วย แต่มันเป็นกรรมฐานแค่การประคองเช่นอะไรม้างอะการเจริญธาตุสี่อาการ32สออาสุภา เ, าเบตตาพวกพวกกรรมฐานอดื่นๆเอาด้วยแต่เอาไว้ในฐานะที่เป็นกรรมฐานคอยประคองคือประคองจิต เพราะว่าบางครั้งเราเราเอาแต่อนาภาณิชิบางทีจิตเราไปโดนกระทบกระแทกจากสิ่งต่างๆถ้าเราไม่มีกรรมฐานเตี้ยเ็นคู่ปรับกับอารมณ์ที่มากระแทกณนขณะนั้นเนี่ยเราอาจจะพลาดได้ว่าพลาดได้ก็อนาก็แย่ <c oughs> เพราะฉะนั้นกรรมฐานอื่นๆก็จะต้องมีที่คอยช่วยประคองเช่นอนุสติ พุทธนุสติธรรมานุสติสังาสาขานุสติจาคานุสติเทวตานุสติเห็นไหมพวกนี้มรณ า, านุสติก็เป็นตัวที่คอยประคองประคองไว้เช่นมรณะสติเนี่ยจำเป็นนะจำเป็นเพราะว่าการถ้าเราไม่เจริญมรณ า, าสติเนี่ยมรณะสติเนี่ยมันจะทําให้เราหลงชีวิต เพราะฉะนั้นถ้าเราจเจริญมรณสติมันจะทำให้เราไม่เหลืองลอยไม่เหลงลอยไม่หลงชีวิตมันจึงเป็นกรรมฐานที่จำเป็นอาสุภากรรมฐานอย่างนี้การพิจารณาอาสุภาการพิจารณาอาการ32ที่เคยเคยนำพวกเราพิจารณากันนั้นเป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้นแต่สำคัญในฐานะของกรรมฐานที่คอยประคองประคองให้อานาปานสตินั้นเป็นเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของแต่ละวัตถุแต่ละวัตถุตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเรื่อยๆขอ ง, ข อ, งอาณาปานสตินั้นเราเดินอาณาเนี่ยเราเดินไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะปรากฏเมื่อทําเหตุถูกต้องมันผลมันก็จะปรากฏเหตุถูกต้องมันผลมันก็จะปรากฏเหตุถูกต้องมันผลนี่ก็จะปรากฏผลที่ปรากฏแต่ละครั้งเมืม่อเราทําทให้มันถูกต้องในเหตุเราก็จะรู้ด้วยตัวของเราเองว่า ว่ามันเป็นอย่างไรไม่ต้องอาศัยใครมาบอกแล้วเหมือนอย่างเรื่องนิมิตที่พูดกันเนี่ยเห็นไหมอา้าวแต่ก่อนเราไม่เคยรู้เรื่องเราไม่เคยรู้เรื่องนิมิตแต่พอเรานิมิตปั๊บแล้วเราเดินสมาธิเพื่อทำความรู้จักสภาวะที่ชื่อว่านิมิตให้มันรู้ว่ า, าจิตระลึกกาไปสู่สู่ที่ตั้งของจิตรู้เป็นอย่างไรพอเรารู้ออรู้ยางก็รู้แล้ว พอเรารู้แล้วไม่ต้องมีใครมาบอกแล้วใช่ไหมเพราะมันปรากฏชัดหลังจากเราทําเหตุมันอย่างถูกต้องผลมันก็ปรากฏทําให้เรารู้จักนิมิตลมหายใจออกรู้ยังรู้ลมหายใจเข้ารู้ยังรู้รู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกไหลเข้าตลอดเวลาเรียกว่ารู้ลมยาวรู้รู้นานรู้ยาว รู้ยังก็รู้ทําไมถึงรู้อ่ะเพราะเราทํามันอย่างถูกต้องมันก็จะรู้อย่างนี้แหละแล้วใครก็จะมาบอกเราล่ะสีนี้ออ่ไม่มีใครมาบอกเราได้หรอกเพราะเรารู้เองเรารู้ด้วยตัวของเราเองก็ทําให้มันถูกต้องอย่างนี้เป็นวัตถุที่หนึ่งที่สองที่สาไปเรื่อยเรื่อยรื ย, ร ย, รยทั้งหมดต้องอาศัยอะไรต้องอาศัยความเพียรของเราที่ต่อเนื่องไปนะ อันนี้พูดเพื่อปลุกใจนะเพื่อให้เห็นคุณค่าความสําคัญของชีวิตที่ยังหายใจอยู่ที่ยังนั่งกันอยู่ยังยังมีโอกาสได้ฟังและได้คุยกันอยู่ว่าชีวิตเราจากนี้ไปเนี่ยมันมันไม่ควรที่จะให้มันไราสาระมากวันหนึ่งมันก็มียี่บสี่ชั่วโมงเท่ากันเรานอนกี่ชั่วโมง เราทำอะไรไปเท่าไหร่เรดูความความไร้สาระของเราสิ่งที่ดูทีว่าไอ้ชั่วโมงนั้นจากจากชมจากเวลาเท่านี้ไปจนถึงเวลาเท่านี้นับแล้วมันกี่ชั่วโมงเวลาเนี้ยโอ้โหเสียดายถ้าเรานั่งสมาธิจะดีกว่าใช่ไหมเผลอตัวไปนั่งนินทาเพื่อนสมว่านั่งคุยนั่งนินทาคนนะโอเพื่อนมาเพื่อนโอ้โหนานนานเจอที เพื่อนเคยเรียนรุ่นเดียวกันนะนานๆโทรมาดีโทรมาถึงก็กู่โทรศัพท์คุยกันมอกันโอ้แป๊บเดียวสองชั่วโมงโอ้โหเส็จแล้วมานั่นโอ้โหร้สาระชิบหายเลยน่าจะเอาเวลาสองชั่วโมงนี้ไปนั่งสมาธิน่ะดิวนะเออสองชั่วโมงนี้ถ้าเดินจงกรมนะนั่งสมาธินี่หาแค็ตมันต้องดูว่าเวลาที่มันไราสาระในชีวิตก็ตัดตัดมันออกไปมั้ง แล้วเราก็จะมีกีเลสของเราเข้ามาขัดแยง้งคัดขาแนแหมหลวงพ่อก็ต้องมีมั่งแหละชีวิตแม้นเฉาตายเออก็ก็แล้วแต่จะคิดนะว่ามันจะเฉาตายจริงหรือเปล่า <conservatives> มันจะเฉาตายจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราจะเฉาหรือไม่เฉาสุดท้ายเราต้องแก่เราจะเฉาหรือไม่เฉาสุดท้ายเราต้องเจ็บป่วยเราจะเฉาหรือไม่เฉาสุดท้ายเราจะต้องตาย เราจะเฉาหรือไม่เฉาสุดท้ายเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเราคิดว่าเราอยู่กับสิ่งที่รักแล้วเรามีความสุขจำไว้ว่าเราจะต้องพลัดพรากมันเป็นเวลาเป็นวินาทีที่รอความพลัดพรากซึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอนพอคิดอย่างนี้มันสมควรไหมล่ะที่จะชงใช้เวลาตัดเรื่องรายสาระออกไป อันนี้ก็ปลุกใจนะเอากราบพระก่อน